อภิธรรมภาชนีขันห้าคือหนึ่งรูปขันกองรูปสองเวทนาขันกองเวทนาสาสัญญาขันกองสัญญาสสังขารขันกองสังขารหวิญญาณขันกองวิญญาณหนึ่งรูปขันบรรดาขันห้านั้นรูปขันเป็นไนรูปขันหมวดละหนึ่งได้แก่รูปทั้งหมดไม่เป็นเหตุไม่มีเหตุ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 ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพานไม่เป็นของเสขาบุคคลและอเศคะบุคคลเป็นปริตะเป็นกลามาวจรไม่เป็นรูปาวจรไม่เป็นอรูปาวจรนับเนื่องในวัตทุกข์ไม่ใช่ไม่นับเนื่องในวัตทุกข์เป็นสภาวะไม่แน่นอนไม่เป็นเหตุนำออกจากวัตทุกข์เป็นธรรมที่เกิดขึ้นอวิญญาหกรู้ได้เป็นของไม่เที่ยงถูกชราครอบงำ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 ที่ไม่เป็นโกวิลิงการะหานก็มีรูปประขันธ์หมวดละสองมีด้วยอาการอย่างนี้ในที่นี้ก็พึงจำแนกรูปประขันธ์ที่เหลือเหมือนในรูปปักันสุคุมมรูปะทุกะจบเติกก ะ, กะในปะกินะกะเติกกะอชัดเติกกะอุปาธาติกกะรูปปัขันธ์หมวดละสามได้แก่รูปที่เป็นภายในเป็นอุปาทัยรูป รูปที่เป็นภายนอกที่เป็นอุปาทายรูปก็มีที่ไม่เป็นอุปาทายรูปก็มีอชิติกะอุปาทินนติกะรูปที่เป็นภายในเป็นรูปเที่ยกรรมอันประกอบด้วยตันหาและทิฐิยึดถือรูปที่เป็นภายนอกเที่ยกรรมอันประกอบด้วยตันหาและทิฐิยึดถือก็มีที่ยกรรมอันประกอบด้วยตันหาและทิฐิไม่ยึดถือก็มีรูปที่เป็นภายในเป็นรูปเที่ยกรรมอันประกอบด้วยตันหาและทิฐิยึดถือ และเป็นอารมณ์ของอุปาทานรูปที่เป็นภายนอกที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานก็มีที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานก็มีและถึงรูปที่เป็นภายในไม่เป็นกวิงกราหานรูปที่เป็นภายนอกที่เป็นโกวิงกราหานก็มีที่ไม่เป็นโกวิงกราหานก็มี รูปประขันหมวดละสามมีด้วยอาการอย่างนี้สุขุมมารูปะติกะจบจะตุกนอุปาทินะจะตุกะรูปประขันหมวดละสี่ได้แก่รูปที่เป็นอุปาทัยรูปที่กรรมอันประกอบด้วยตัญหาและทิฏฐิยึดถือก็มีที่กรรมอันประกอบด้วยตัญหาและทิฏฐิไม่ยึดถือก็มีรูปที่ไม่เป็นอุปาทัยรูปที่กรรมอันประกอบด้วยตันหาและทิฏฐิยึดถือก็มี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 รูปที่เป็นอุปาทัยรูปที่เป็นรูปหยาบก็มี robić, ที่เป็นรูปละเอียดก็มีรูปที่ไม่เป็นอุปาทัยรูปที่เป็นรูปหยาบก็มีที่เป็นรูปละเอียดก็มีอุปาทาทุเรจตุกะรูปที่เป็นอุปาทัยรูปที่เป็นรูปไกลก็มีที่เป็นรูปใกล้ก็มีรูปที่ไม่เป็นอุปาทัยรูปที่เป็นรูปไกลก็มีที่เป็นรูปใกล้ก็มีละถึงทิฏฐาที่จตุกะ รูปที่เป็นรูปที่เห็นได้เป็นรูปที่สะดับได้เป็นรูปที่รู้ได้เป็นรูปที่รู้แจ้งได้รูปประคันหมวดละสี่มีด้วยอาการอย่างนี้ปัญจกระในรูปประคันหมดละห้าได้แก่รูปที่เป็นปัทวีธาตุรูปที่เป็นอาโปธาตุรูปที่เป็นเตโชธาตุรูปที่เป็นวายโยธาตุรูปที่เป็นอุปาทายรูปรูปประคันหมดละห้ามีด้วยอาการอย่างนี้ จากกณในรูปประคันหมวดละหกได้แก่รูปที่จกักขูวิญญาณรู้ได้รูปที่โสตะวิญญาณรู้ได้รูปที่ขานะวิญญาณรู้ได้รูปที่คิวหาวิญญาณรู้ได้รูปที่กายยะวิญญาณรู้ได้รูปที่มโนวิญญาณรู้ได้รูปประคันหมวดละหกมีด้วยอาการอย่างนี้ชัตตกะในรูปประคันหมวดละเจ็ดได้แก่ รูปที่จักขววิญญาณรู้ได้ละถึงรูปที่มโนธาตรู้ได้รูปที่มโนวิญญาณธาตรู้ได้รูปประคันหมวดละเจ็ดมีด้วยอาการอย่างนี้อัตกะในรูปประคันหมวดละแปดได้แก่รูปที่จักขววิญญาณรู้ได้ละถึงรูปที่กายวิญญาณรู้ได้ที่มีสัมผัสเป็นสุขก็มีที่มีสัมผัสเป็นทุกข์ก็มี รูปที่มโนธาตรู้ได้รูปที่มโนวิญญาณธาตรู้ได้รูปประคันหมวดละแปดมีด้วยอาการอย่างนี้นวกะในรูปประคันหมวดละเก้าได้แก่รูปที่เป็นจากขุนศีโสตินศีคานินศีชิวหินศีกลายยินศีอิทหินศีปุริศินศีชีวิตินศีและรูปที่ไม่เป็นอินรีย ร, รูปประคันหมดละเมีด้วยอาการอย่างนี้ทัศกัณใน ร, รูปประคันหมดละสิ Clear <late S 2> บได้แก่รูปที่เป็นจากขุนศีละถึงชีวิตอินศีและรูปที่ไม่เป็นอินรีย์ที่กระทบได้ก็มีที่กระทบไม่ได้ก็มีรูปประคันหมดละสิบมีด้วยอาการอย่างนี้เอกาทัศกัณในรูปประคันหมดละสิบเอ็ดได้แก่รูปที่เป็นจากขาญตนะ โโตายัตนะคานายัตนะชิวหายัตนะรายายัตนะรูบายัตนะสัทธายัตนะคันทายัตนะรสายตนะโพธพายัตนะและรูปที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งนับเนื่องในธรรมายัตนะรูปประคันหมวดละสิบเอ็ดมีด้วยอาการอย่างนี้นี้เรียกว่ารูปประคัน สเวทนาขันธ์ทุกกะมูลกะวาระบรรดาขันห้านั้นเวทนาขันธ์เป็นชนัยเวทนาขันธ์หมวดละหนึ่งได้แก่เวทนาขันธ์ที่สัมยุญด้วยภาษะเวทนาขันธ์หมวดละสองได้แก่เวทนาขันธ์ที่มีเหตุก็มีที่ไม่มีเหตุก็มีเวทนาขันธ์หมวดละสามได้แก่เวทนาขันธ์ที่เป็นกุศลก็มีที่เป็นอกุศลก็มีที่เป็นอัพยากฤิตก็มี เวทนาขันโหมดละสีได้แก่เวทนาขันที่เป็นกลามาวจรก็มีที่เป็นรูปาวจรก็มีที่เป็นอรรปาวจรก็มีที่ไม่นับหนึ่งในวัตทุก็มีเวทนาขันโหมดละห้าได้แก่เวทนาขันที่เป็นสุขขินรีก็มีที่เป็นทุกขินรีก็มีที่เป็นสมนะสินรีก็มีที่เป็นโทมนะสินรีก็มีที่เป็นอุเบกขินสีก็มี เวทนาขันหมดละห้ามีด้วยอาการอย่างนี้เวทนาขันหมดละหกได้แก่เวทนาที่เกิดแต่จักขุสัมผัสเวทนาที่เกิดแต่โสตสัมผัสเวทนาที่เกิดแต่คาณะสัมผัสเวทนาที่เกิดแต่ชิวหาสัมผัสเวทนาที่เกิดแต่กายสัมผัสเวทนาที่เกิดแต่มโนสัมผัสเวทนาขันหมดละหกมีด้วยอาการอย่างนี้ เวทนาขันหมดละเจ็ดได้แก่เวทนาที่เกิดแต่จักขุสัมผัสและถึงเวทนาที่เกิดแต่กายะสัมผัสเวทนาที่เกิดแต่มโนธาสัมผัสเวทนาที่เกิดแต่มโนวิญญาณธาสัมผัสเวทนาขันหมดละเจดมีด้วยอาการอย่างนี้เวทนาขันหมดละแปดได้แก่เวทนาที่เกิดแต่จักขุสัมผัสละถึงเวทนาที่เกิดแต่กายะสัมผัส ที่เป็นสุขก็มีที่เป็นทุกข์ก็มีเวทนาที่เกิดแต่มโนธาสัมผัสเวทนาที่เกิดแต่มโนวิญญาณธาสัมผัสเวทนาขันธ์หมวดละแปดมีด้วยอาการอย่างนี้เวทนาขันธ์หมวดละเก้าได้แก่เวทนาที่เกิดแต่จักขุสัมผัสละถึงเวทนาที่เกิดแต่กายสัมผัสเวทนาที่เกิดแต่มโนธาสัมผัสเวทนาที่เกิดแต่มโนวิญญาณธาสัมผัส ที่เป็นกุศลก็มีที่เป็นอกุศลก็มีที่เป็นอภยากฤษตก็มีเวทนาขันหมดละเก้ามีด้วยอาการอย่างนี้เวทนาขันหมดละสิได้แก่เวทนาที่เกิดแต่จักขุสัมผัสละถึงเวทนาที่เกิดแต่กายสัมผัสที่เป็นสุขก็มีที่เป็นทุกข์ก็มีเวทนาที่เกิดแต่มโนท่าสัมผัสเวทนาที่เกิดแต่มโนวิญญาณท่าสัมผัสที่เป็นกุศลก็มี ที่เป็นอกุศนก็มีที่เป็นอัพยกฤิตก็มีเวทนาขันโหมดลสิทธิ์มีด้วยอาการอย่างนี้เวทนาขันโหมดละหนึ่งได้แก่เวทนาขันที่สัมปะยุทธ์ด้วยภาษาเวทนาขันโหมดละสองได้แก่เวทนาขันที่มีเหตุก็มีที่ไม่มีเหตุก็มีเวทนาขันโหมดละสามได้แก่เวทนาขันที่เป็นวิบากก็มีที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากก็มี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 และมรรคเบื้องบนสามก็มีเวทนาขันธ์ที่มีเหตุต้อง ป, ประหารด้วยโสดาปฏิมรรคก็มีที่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามก็มีที่ไม่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมรรคและมรรคเบื้องบนสามก็มีเวทนาขันธ์ที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติก็มีที่เป็นเหตุใหถึงนิพพานก็มีที่ไม่เป็นเหตุใหถึงปฏิสนธิจุติและนิพพานก็มี เวทนาขันธ์ที่เป็นของเสขาบุคคลก็มีที่เป็นของอสเสขาบุคคลก็มีที่ไม่เป็นของเสขาบุคคลและอเสขาบุคคลก็มีเวทนาขันธ์ที่เป็นปริตตะกามาวจรก็มีที่เป็นมหคตารูปาวจรและอรูปาวจรก็มีที่เป็นอปปมาณะโล ก, กุตระก็มีเวทนาขันธ์ที่มีปริตตะเป็นอารมณ์ก็มีที่มีมหคตะเป็นอารมณ์ก็มี ที่มีอปปมาณะเป็นอารมณ์ก็มีเวทนาขันธ์ที่เป็นชั้นต่ำก็มีที่เป็นชั้นกลางก็มีที่เป็นชั้นปราณีก็มีเวทนาขันธ์ที่มีสภาวะผิดและให้ผลแน่นอนก็มีที่มีสภาวะชอบและให้ผลแน่นอนก็มีที่ไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองนั้นก็มีเวทนาขันธ์ที่มีมักเป็นอารมณ์ก็มีที่มีมักเป็นเหตุก็มีที่มีมักเป็นอธิปดีก็มี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 เวทนาขันธ์ที่สัมปยุทธ์ด้วยอาสวะก็มีที่วิปปยุทธ์จากอาสวะก็มีเวทนาขันธ์ที่วิปปยุทธ์จากอาสวะแต่เป็นอารมณ์ของอาสวะก็มีที่วิปปยุทธ์จากอาสวะและไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะก็มีเวทนาขันธ์ที่เป็นอารมณ์ของสังโยกก็มีที่ไม่เป็นอารมณ์ของสังโยกก็มีเวทนาขันธ์ที่สัมปยุทธ์ด้วยสังโยกก็มีที่วิปปยุทธ์จากสังโยกก็มี เวทนาขันธ์ที่วิปยุตจากสังโยชน์แต่เป็นอารมณ์ของสังโยกก็มีที่วิปยุตจากสังโยชน์และไม่เป็นอารมณ์ของสังโยกก็มีเวทนาขันธ์ที่เป็นอารมณ์ของคันธาก็มีที่ไม่เป็นอารมณ์ของคันธาก็มีเวทนาขันธ์ที่ ส, สัมปยุตด้วย <annt. S 2> คันธาก็มีที่วิปยุตจากคันธาก็มีเวทนาขันธ์ที่วิปยุตจากคันถะแต่เป็นอารมณ์ของคันถะก็มี ที่วิปยุจจากคันทะและไม่เป็นอารมณ์ของคันทะก็มีเวทนาขันที่เป็นอารมณ์ของโอคะก็มีที่ไม่เป็นอารมณ์ของโอคะก็มีเวทนาขันที่สัมปยุจด้วยโอคะก็มีที่วิปยุจจากโอคะก็มีเวทนาขันที่วิปยุจจากโอคะแต่เป็นอารมณ์ของโอคะก็มีที่วิปยุจจากโอคะและไม่เป็นอารมณ์ของโอคะก็มี เวทนาขันธ์ที่เป็นอารมณ์ของโยคะก็มีที่ไม่เป็นอารมณ์ของโยคะก็มีเวทนาขันธ์ที่สัมปยุทธ์ด้วยโยคะก็มีที่วิปปะยุทธ์จากโยคะก็มีเวทนาขันธ์ที่วิปปะยุทธ์จากโยคะแต่เป็นอารมณ์ของโยคะก็มีที่วิปปะยุทธ์จากโยคะและไม่เป็นอารมณ์ของโยคะก็มีเวทนาขันธ์ที่เป็นอารมณ์ของนิวรก็มีที่ไม่เป็นอารมณ์ของนิวรก็มี เวทนาขันธ์ที่สัมปยุดด้วยนิวรณ์ก็มีที่วิปปะยุจจากนิวรณ์ก็มีเวทนาขันธ์ที่วิปปะยุจจากนิวรณ์แต่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์ก็มีที่วิปปะยุจจากนิวรณ์และไม่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์ก็มีเวทนาขันธ์ที่เป็นอารมณ์ของปารมาสก็มีที่ไม่เป็นอารมณ์ของปารมาสก็มีเวทนาขันธ์ที่สัมปยุดด้วยปามาสก็มีที่วิปปยุจจากปามาสก็มี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 ที่วิปยุติจากอุปาทานก็มีเวทนาขันที่วิปยุติจากอุปาทานแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานก็มีที่วิปยุติจากอุปาทานและไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานก็มีเวทนาขันที่เป็นอารมณ์ของกิเลสก็มีที่ไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสก็มีเวทนาขันที่กิเลตทําให้เศร้าหมองก็มีที่กิเลตไม่ทําให้เศร้าหมองก็มีเวทนาขันที่สัมปยุติด้วยกิเลกก็มี ที่วิปยุจจากกิเลสก็มีเวทนาขันธ์ที่วิปยุจจากกิเลสแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสก็มีที่วิปยุจจากกิเลสและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสก็มีเวทนาขันธ์ที่ต้องประหารด้วยโสดาปติมัคก็มีที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมักก็มีเวทนาขันธ์ที่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามก็มีที่ไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามก็มี เวทนาขันธ์ที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักก็มีที่ไม่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักก็มีเวทนาขันธ์ที่มีเหตุต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสามก็มีที่ไม่มีเหตุต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสามก็มีเวทนาขันธ์ที่มีวิตกก็มีที่ไม่มีวิตกก็มีเวทนาขันธ์ที่มีวิจารก็มีที่ไม่มีวิจารก็มีเวทนาขันธ์ที่มีปีติก็มี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 เวทนาขันธ์ที่นับนึ่งในวัฏทุกข์ก็มีที่ไม่นับนึ่งในวัฏทุกข์ก็มีเวทนาขันธ์ที่เป็นเหตุนำออกจากวัฏทุกข์ก็มีที่ไม่เป็นเหตุนำออกจากวัฏทุกข์ก็มีเวทนาขันธ์ที่ให้ผลแน่นอนก็มีที่ให้ผลไม่แน่นอนก็มีเวทนาขันธ์ที่มีธรรมเอื่นยิ่งกว่าก็มีที่ไม่มีธรรมเอื่นยิ่งกว่าก็มีเวทนาขันธ์ที่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ก็มี ที่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ก็มีเวทนาขันโมลละสามได้แก่เวทนาขันที่เป็นกุศลก็มีที่เป็นอกุศลก็มีที่เป็นอัพยกฤตก็มีละถึงเวทนาขันโมลละสิบมีด้วยอาการอย่างนี้เวทนาขันโมลละหนึ่งได้แก่เวทนาขันที่สัมปยุทธ์ด้วยผัสสะเวทนาขันโมลละสองได้แก่เวทนาขันที่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ก็มี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 ที่มีทาภายในตนและภายนอกตนเป็นอารมณ์ก็มีและถึงเวทนาขันหมดละสิทธ์มีด้วยอาการอย่างนี้ทุกกะมูละกะวาระจบเด็กกะมูละกะวาระ เวทนาขันโหมดละหนึ่งได้แก่เวทนาขันที่สัมปยุทธ์ด้วยภาษาเวทนาขันโหมดละสองได้แก่เวทนาขันที่มีเหตุก็มีที่ไม่มีเหตุก็มีเวทนาขันหมดละสามได้แก่เวทนาขันที่เป็นกุศลก็มีที่เป็นอกุศลก็มีที่เป็นอภยากลิตก็มีละถึงเวทนาขันโหมดละสิบมีด้วยอาการอย่างนี้เวทนาขันหมดละหนึ่งได้แก่ เวทนาขันธ์ที่สัมปยุทธ์ด้วยภาษะเวทนาขันธ์หมวดละสองได้แก่เวทนาขันธ์ที่สัมปยุทธ์ด้วยเหตุก็มีที่วิปยุทธ์จากเหตุก็มีเวทนาขันธ์หมวดละสามได้แก่เวทนาขันธ์ที่เป็นกุศลก็มีที่เป็นอกุศลก็มีที่เป็นอัพยากฤิก็มีละถึงเวทนาขันธ์หมวดละสิบมีด้วยอาการอย่างนี้เวทนาขันธ์หมวดละหนึ่งได้แก่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 เวทนาขันธ์ที่เป็นของเาศขบุคคลก็มีที่เป็นของอเศขบุคคลก็มีที่ไม่เป็นของอเศขบุคคลและอเศัขบุคคลก็มีเวทนาขันธ์ที่เป็นปริตะก็มีที่เป็นมหคัตก็มีที่เป็นอปมามะก็มีเวทนาขันธ์ที่มีปริตะเป็นอารมณ์ก็มีที่มีมหคัตเป็นอารมณ์ก็มีที่มีอปมามะเป็นอารมณ์ก็มี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 เวทนาขันธ์ที่ไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุก็มีที่ไม่เป็นเหตุและไม่มีเหตุก็มีเวทนาขันธ์ที่เป็นโลคิยะก็มีที่เป็นโลกุตระก็มีเวทนาขันธ์ที่จิตบังดวงรู้ได้ก็มีที่จิตบังดวงรู้ไม่ได้ก็มีเวทนาขันธ์ที่เป็นอารมณ์ของอาสวะก็มีที่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะก็มีเวทนาขันธ์ที่สัมปยุทธ์ด้วยอาสวะก็มีที่วิปยุทธ์จากอาสวะก็มี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 โตวัฏกะวาระเวทนาขันหมดละหนึ่งได้แก่เวทนาขันที่สัมบยุด้วยภาษะเวทนาขันหมดละสองได้แก่เวทนาขันที่มีเหตุก็มีที่ไม่มีเหตุก็มีเวทนาขันหมดละสามได้แก่เวทนาขันที่เป็นกุศลก็มีที่เป็นอกุศลก็มีที่เป็นอภพญากริก็มีและถึงเวทนาขันหมดละสิบมีด้วยอาการอย่างนี้ เวทนาขันโหมดละหนึ่งได้แก่เวทนาขันที่สัมปยุทธ์ด้วยพัสสะเวทนาขันโหมดละสองได้แก่เวทนาขันที่สัมปยุทธ์ด้วยเหตุก็มีที่วิปยุทธ์จากเหตุก็มีเวทนาขันโหมดละสามได้แก่เวทนาขันที่เป็นวิบากก็มีที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากก็มีที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากก็มีและถึงเวทนาขันโหมดละสิบมีด้วยอาการอย่างนี้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 ที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือและไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานก็มีละถึงเวทนาขันโหมดละสิบมีด้วยอาการอย่างนี้เวทนาขันโหมดละหนึ่งได้แก่เวทนาขันที่สัมปยุทธ์ด้วยผัสสะเวทนาขันโหมดละสองได้แก่เวทนาขันที่เป็นโลกิยะก็มีที่เป็นโลกุตระก็มีเวทนาขันโหมดละสามได้แก่ เวทนาขันธ์ที so Omaha, so so ่กิเลสทำให้เศร้าหมองและเป็นอารมณ์ของกิเลสก็มีที่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสก็มีที่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสก็มีละถึงเวทนาขันธ์หมดละสิทธ์มีด้วยอาการอย่างนี้เวทนาขันธ์หมดละหนึ่งได้แก่เวทนาขันธ์ที่สัมปยุทธ์ด้วยผัสสะเวทนาขันธ์หมดละสองได้แก่ เวทนาขันที่จิตบางดวงรู้ได้ก็มีที่จิตบางดวงรู้ไม่ได้ก็มีเวทนาขัน์หมดละสามได้แก่เวทนาขันท์ที่มีทั้งวิตกและวิจารก็มีที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารก็มีที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารก็มีละถึงเวทนาขัน์หมดละสิมีด้วยอาการอย่างนี้เวทนาขัน์หมดละหนึ่งได้แก่เวทนาขันท์ที่สัมปยุตด้วยภาษะ เวทนาขันหมลละสองได้แก่เวทนาขันที่เป็นอารมณ์ของอาสวะก็มีที่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะก็มีเวทนาขันหมลละสามได้แก่เวทนาขันที่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักก็มีที่ต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสามก็มีที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสามก็มีและถึงเวทนาขันโมลละสิมีด้วยอาการอย่างนี้ เวทนาขันโมลละหนึ่งได้แก่เวทนาขันที่สัมปยุทธ์ด้วยพัสสะเวทนาขันโมลละสองได้แก่เวทนาขันที่สัมปยุทธ์ด้วยอาสวะก็มีที่วิปยุทธ์จากอาสวะก็มีเวทนาขันโมูลละสามได้แก่เวทนาขันที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักก็มีที่มีเหตุต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสามก็มีที่ไม่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสามก็มี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 ที่ไม่เป็นอารมณ์ของสังโยกก็มีเวทนาขันโหมดละสามได้แก่เวทนาขันที่เป็นของอาศขับุคคลก็มีที่เป็นของอเศขับุคคลก็มีที่ไม่เป็นของเาศขับุคคลและอเศัขับุคคลก็มีละถึงเวทนาขันโหมูละสิบมีด้วยอาการอย่างนี้เวทนาขันโหมดละหนึ่งได้แก่เวทนาขันที่สัมปยุทธ์ด้วยภาษาเวทนาขันโหมดละสองได้แก่ เวทนาขันธ์ท well NO ี่สัมปยุทธ์ด้วยสังโยกก็มีที่วิปยุทธ์จากสังโยกก็มีเวทนาขันธ์หมวดละสามได้แก่เวทนาขันธ์ที่เป็นปริตะก็มีที่เป็นมหาคตะก็มีท uh awesome ี่เป็นอัปมาณะก็มีละถึงเวทนาขันธ์หมวดลสิทธิ์มีด้วยอาการอย่างนี้เวทนาขันธ์หมวดละหนึ่งได้แก่เวทนาขันธ์ที่สัมปยุทธ์ด้วยผัสสะเวทนาขันธ์หมวดละสองได้แก่ เวทนาขันธ์ที่วิปยุจจากสังโยชน์แต่เป็นอารมณ์ของสังโยกก็มีที่วิปยุจจากสังโยชน์และไม่เป็นอารมณ์ของสังโยกก็มีเวทนาขันธ์หมดละสามได้แก่เวทนาขันธ์ที่มีปริตะเป็นอารมณ์ก็มีที่มีมหคตะเป็นอารมณ์ก็มีที่มีอปปมาณะเป็นอารมณ์ก็มีละถึงเวทนาขันธ์หมวดละสิบมีด้วยอาการอย่างนี้เวทนาขันธ์หมดละหนึ่งได้แก่ เวทนาขันธ์ที่สัมปยุทธ์ด้วยภาษะเวทนาขันธ์หมวดละสองได้แก่เวทนาขันธ์ที่เป็นอารมณ์ของคันถะก็มีที่ไม่เป็นอารมณ์ของคันถะก็มีเวทนาขันธ์หมวดละสามได้แก่เวทนาขันธ์ที่เป็นชั้นตดำก็มีที่เป็นชั้นกลางก็มีที่เป็นชั้นปราณีก็มีและถึงเวทนาขันธ์หมวดละสิมีด้วยอาการอย่างนี้เวทนาขันธ์หมวดละหนึ่งได้แก่ เวทนาขันที่สัมปยุทธ์ด้วยภาษะเวทนาขันหมวดละสองได้แก่เวทนาขันที่สัมปยุทธ์ด้วยคันธะก็มีที่วิปยุทธ์จากคันธะก็มีเวทนาขันหมวดละสามได้แก่เวทนาขันที่มีสภาวะผิดและให้ผลแน่นอนก็มีที่มีสภาวะชอบและให้ผลแน่นอนก็มีที่ไม่แน่นอนด้วยอาการทั้งสองนั้นก็มีละถึง เวทนาขันธ์หมวดละสิ์มีด้วยอาการอย่างนี้เวทนาขันธ์หมวดละหนึ่งได้แก่เวทนาขันธ์ที่สัมปะยุทธ์ด้วยผัสสะเวทนาขันธ์หมวดละสองได้แก่เวทนาขันธ์ที่วิปยุทธ์จากขันธะแต่เป็นอารมณ์ของขันธะก็มีที่วิปยุทธ์จากขันธะและไม่เป็นอารมณ์ของขันธะก็มีเวทนาขันธ์หมวดละสามได้แก่เวทนาขันธ์ที่มีมักเป็นอารมณ์ก็มี ที่มีมรรคเป็นเหตุ ก, ก็มีที่มีมรรคเป็นอธิปดีก็มีละถึงเวทนาขันธ์หมวดละสิทธ์มีด้วยอาการอย่างนี้เวทนาขันธ์หมวดละหนึ่งได้แก่เวทนาขันธ์ที่สัมปยุทธ์ด้วยภาษะเวทนาขันธ์หมวดละสองได้แก่เวทนาขันธ์ที่เป็นอารมณ์ของโอคะก็มีที่ไม่เป็นอารมณ์ของโอคะก็มีเวทนาขันธ์หมวดละสามได้แก่ เวทนาขันธ์ที่เกิดขึ้นก็มีที่ยังไม่เกิดขึ้นก็มีที่จะเกิดขึ้นแน่นอนก็มีและถึงเวทนาขันธ์หมวดละสิกมีด้วยอาการอย่างนี้เวทนาขันธ์หมวดละหนึ่งได้แก่เวทนาขันธ์ที่สัมปะยุทธ์ด้วยภาษะเวทนาขันธ์หมวดละสองได้แก่เวทนาขันธ์ที่สัมปะยุทธ์ด้วยโอคะก็มีที่วิปยุทธ์จากโอคะก็มีเวทนาขันธ์หมวดละสามได้แก่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 เวทนาขันธ์หมดละสามได้แก่เวทนาขันธ์ที่มีอดีตธรรมเป็นอารมณ์ก <im> ็มีที่มีอนาคตธรรมเป็นอารมณ์ก็มีที่มีปัจจุบันธรรมเป็นอารมณ์ก็มีและถึงเวทนาขันธ์หมดละสิบมีด้วยอาการอย่างนี้เวทนาขันธ์หมดละหนึ่งได้แก่เวทนาขันธ์ที่สัมปยุทธ์ด้วยผัจจ์เวทนาขันธ์หมดละสองได้แก่เวทนาขันธ์ที่เป็นอารมณ์ของโยคะก็มี ที่ไม่เป็นอารมณ์ของโยคะก็มีเวทนาขันหมวดละสามได้แก่เวทนาขันที่เป็นภายในตนก็มีที่เป็นภายนอกตนก็มีที่เป็นภายในตนและภายนอกตนก็มีละถึงเวทนาขันหมวดละสิบมีด้วยอาการอย่างนี้เวทนาขันหมวดละหนึ่งได้แก่เวทนาขันที่สัมปยุทธ์ด้วยผัสสะเวทนาขันหมวดละสองได้แก่ เวทนาขันธ์ที่สัมปยุทธ์ด้วยโยคะก็มีที่วิปปยุทธ์จากโยคะก็มีเวทนาขันธ์หมวดละสามได้แก่เวทนาขันธรรนน์ที่มีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์ก็มีที่มีธรรมภาย น, ลลภนอกตนเป็นอารมณ์ก็มีที่มีธรรมภายในตนและภายนอกตนเป็นอารมณ์ก็มีและถึงเวทนาขันธ์หมวดละสิบมีด้วยอาการอย่างนี้อุปโตวัสตะวาระจบ